การเย็นดีนะไม่ได้ไปชุมหลายวันโลกนี้เรามีอิสระที่จะเลือกทางเดินไม่ใช่เราไม่มีอิสระที่จะเลือกทางเดินถ้าใครต้องการเป็นไปตามกระแสโลกเราก็ย่อมจะประสบพบเห็นแบบโลกโลกจิตใจก็ชอบแบบโลกโลกความชอบพอใจก็จะชอบแบบโลกโลกโลกเป็นไงความเป็นไปของโลกมันหุ่นวาย มันจะต้องหาอยู่หากินหาลาบหาผลคนบนโลกมากมายจํานวนมากทั้งคนต่างแสวงลาบหาจะตกปจัจจัยสำหรับบำรุงบําเลยอัตภาพร่างกายทั้งคนต่างหายยศหายยศนี่ก็เพื่อได้อํานาจแล้วก็เพื่อได้ลาบมากมากได้ง่ายๆเราก็แสวงหาเขาก็แสวงหาในที่สุดมันก็ขัดกัน เมื่อขัดกันก็มีการปะทะกันมีการต่อสู้กันมีการแย่งชิงกันได้โดยอำนาจบางครั้งก็อาจจะได้ด้วยมีธรรมะประกอบมีความพอดีพอเหมาะประกอบบางครั้งก็ได้โดยอำนาจเอาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเสียท่าเสียทีต้องเสียอกเสียใจยินยอมให้กับฝ่ายได้ฝ่ายหีกเป็นเรื่องธรมนมดาของเรา ชีวิตทังชีวิตเราถ้าเรามาประสบพบเห็นแล้วเราก็ต้องการต้องการอยู่อย่างนี้เห็นความสำคัญอยู่อย่างนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาทางเดินหรือเลือกทางเดินที่ดีกว่านี้เราก็จะประสบเลยอย่างนั้นแหละและความเป็นไปของสิ่งเหลนั้นก็อยู่แค่นั้นแหละแค่ได้ลาบมาได้ยศมายศก็เพื่อลาบนั่นแหละเพราะมียศหน่อยก็มีความสุขเพราะได้ยศ เป็นการเพลินๆพอได้ให้บุณนิดหน่อยก็แบกกองทุกแล้วกองทุกเกิดจากเกิดจากงานที่ต้องแบกยศนั่นแหละแล้วก็ได้ลาบมาพออยู่พอใช้พอสอยสะดวกสบายได้ยศมาก็หลงยศยึดยศได้ลาบมาก็หลงลาบยึดลาบคําว่าลาบรวมปัจจัยสี่ลงในนั้นลาบลาภาลาภาแปลว่าการได้มาแปลวาการได้มา สรุปลงแล้วก็มีสี่อย่างนั่นแหละมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคแล้วก็มีที่อยู่อาศัยก็มีแค่นั้นเองนี่คือความเป็นอยู่ของชีวิตชีวิตอัตภาพร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟได้แค่นั้นแหละได้มาเพืเลี้ยงอัตภาพร่างกายชีวิตถ้าหากเราไม่ได้มีความนึกคิดให้สูงมากไปกว่า น, นั้นให้สมกับคำ ว, ว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ย เราก็คงยินดีพอใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำนั้นแค่นั้นยังมากไปแค่แคมีราบมียศพออยู่พอใช้พอสอยพอสะดวกพอสบายแล้วสวยอ่าสิ่งที่มีความสุขเพลิดเพลินรื่น เ, เริง ม, ม, ม, มันเทอมมากกว่าไปจากปัจจัยสีเพื่อมีความสุขทางใจก็อาจจะได้มีความสุขทางใจนิดหน่อยหน่อยเพราะความสุขทั้งหมดนี้มันเป็นความสุขอย่างผิวเผิน ที่เกิดขึ้นจากการที่กิเลสมันเล่าให้เราติดจิตใจกับเหยื่อมันเรายินดีเราพอใจเราเพลินใจล้วก็ติดอยู่กันแค่นั้นแหละจากนั้นแล้วก็ด้วยเหตุที่เราเป็นอยู่ใช้สอยไปหาไปใช้ไปใช้สอยไปหมดไปมีพาระหนึ่งคนแล้วก็ไม่พอมีสองคนสองคนไม่พอ้วก็มีสามคน ร้กสามคนไม่พอสี่คนห้าคนครอบครัวหนึ่งสองครอบครัวสามครอบครัวเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่เป็นเคพื่อนเป็นบุคคลที่มีบุญมีคุณต่างคนต่างก็เผื่อแพ่เราก็เผื่อแพ่เขาก็เผื่อแพ่สิ่งที่จะพึ้งได้มาก็เกียรติกันแบ่งกันจำเรล็กกันจำเรล็กไปจำเรล็กมาคนที่มีความโลภมาก ก็ต้องการจะเย็นชิ่งเพื่อได้มากๆนี่คือโลกความเป็นไปของโลกความเป็นอยู่ของโลกอย่างพวกเรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยเราเอาหลักศาสนาไปประกอบในการทำมหากินเพื่อปด้ตับใจสิบางครั้งเราก็ใช้ได้เนือ่องจากว่าเรามีความแข็งแกร่งในใจพอเอาหลักทำไปใช้ได้บ้าง บางครั้งเราก็เอาไปใช้ไม่ได้เลยเนื่องจอากว่าจิตใจเราอ่อนแอเต็มทีอ่อนแอเนื่องจากว่าความสนอกสนใจในธรรมมันมีน้อยธรรมะเลยไม่เข้าถึงจิตไม่เข้าถึงใจราคาทระท้สัโมหะที่มันมีอยู่ภายในจิตมันเต็มแปร่อ ย, อยู่ใช่ไหมพอเวลามีอะไรมากระทบมากระทั่งมากรีดมาขวานมาอะไรสิ่งเราก็พร้อมที่จะทะลักออกมา ใหได้รับโทษให้ได้รับเวรให้ได้รับภัยถึงจะพึงกระทํำด้วยกายด้่ยวาจาได้แต่ความพุ่นวายในใจไม่ต้องสงสัยนะความพุ่นวายในใจมันต้องสงสัยม่นต้องได้รับความวุ่นวายนหน่นอนเนื่องจากความอารมณ์ของโลกมันเป็นอารมณ์ที่ไปทําให้กลุ่มลมจิตก็เรียกว่าไปทําให้กลุ่มลมจิตอย่างที่ท่านเรียกว่าปรจยุทธานกิเลสปรจยุทธานกิเลสกิเลสที่เป็นกลุ่มลมจิตนั้น ความวุ่นวายของภาวะแวดล้อมต่างๆเรานี้แหละมันเป็นรุ่มรุ ม, รมจิตเพระเนาะฉะนั้นท่านยิงให้ทำจิตให้สงบสมาธิเลยสามารถไปบําบัดความเปริ่ม ร, ม ร, มรุมของจิตได้ความวุ่นวายนะเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบากายเป็นตัวตามจิตเป็นตัวนําเป็นนายใหญ่เป็นเจ้าใหญ่เป็นนายใหญ่คอยควบคุมรู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรทั้งหมด เพื่อบำรุงเพื่อปกป้องเพื่อดูแลร่างกายนี้เป็นไปได้อยู่ได้ให้มีชีวิตปลอดภัยได้มันเป็นของสองสิ่งอาศัยซึ่งกันและกันต้องมาศังจิตทีนี้เพื่อความปลอดภัยของกายท่านก็ให้รักษาศีลศีล ส, สามารถบําบัดกิเลสที่จะพึงล่วงก้าวออกมาทางกายทางวาจาอันนี้หลักเรพูดทำหลักเพื่อให้กายของเราออกมาถูกหลักถ้ากายออกมาไม่ถูกหลักก็เป็นกายยรรังกับ เป็นกายทุจริตแต่ถ้าเป็นกายถูกละมีศีลมีธรรมํากับครอบนําก็เป็นกายะสุดจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักศัพย์ไม่ประพฤติเป็นการเราเห็นความสําคัญของศีลอันนี้เป็นหลักเป็นขั้นหลักการในการที่เราจะเอามาประพฤติปฏิบัติสามารถํากับดูแลกิริยาทางวาจาคือคําพูดกากับกายํากับวาจาเพราะว่าวาจาที่พูดไม่ดีก็เป็นวิจิตรทุจริตถ้าพูดดีพูดชอบก็เป็นวิจิตรจริต สุดจริตกายะสุดจริตวาจีสุดจริตอันนี้เป็นฝ่ายธรรมเป็นฝ่ายศีลด้วยและเป็นฝ่ายธรรมด้วยทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยไม่มีกรรมไม่มีกรรมด้วยกายไม่มีกรรมด้วยวาจาไม่มีกรรมฝ่ายอกุศลแต่จะเป็นกรรมฝ่ายบุญส่ช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมให้จิตนั้นเนี่ยมีความสงบมีความสุขมีความชุ่มเย็น แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเช่นอย่างกายทุจริตเนี่ยประพฤติชั่วทางกายหรือว่าจิตทุจริตคือระพฤติชั่วทางวาจาก็เป็นเหตุให้จิตนั่นแหละรุ่มร้อนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันมีสาเหตุที่ประกอบให้กายที่วาจาพอประกอบลงไปแล้วจิตมันเป็นคนมาเก็บผลงานทั้งหมดในรอบแต่ละวันแต่ละคืนจิตเป็นคนรับทราบรับรู้รับทํารับอะไรทั้งหมดมันก็มาทับท่วมจิตจิตหาความสงบจิตหาความสุขไม่ได้ เยเราจะเห็นกิริยาข้างนอกทั้งทางกายท่านก็สามารถระงับได้ถึงการรักษาสินทางวาจาก็สามารถระงับได้ด้วยการรักษาสิล ท, ทีนี้มันกลุ่มรวมอยู่ในภายในจิตกลุ่มอยู่รมอยู่ในอยู่ภายในจิตมันอาจจะไม่เบียดเบียนใครแต่มันเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าถลับออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็มาเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อืน่นแล้วแต่ถ้าอยู่เฉพาะในจิตไม่เบียดเบียนใครแต่เบียดเบียนตนเองทำให้จิตใจเข้าร้อนวุ่นวาย ถ้าสับกษาอย่างนั้นแหละไม่เป็นพาสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับปรุงแต่งจนเป็นโรคประสาทอย่างนี้ก็มีอย่างน้จากว่าเราไม่ได้ทําำจิตให้ได้รับความสงบอารมณ์ที่ผ่านทางกายทางวาจามาจากตาหูจมูกหรือกายใจมามาหมุนอยู่ภายในจิตจิตก็เลยกลุ้มรุมะกับอารมณ์ทางตาเรานั้นเพราะวันคืนต้งไปยอขดขณะใดก็ตามจิตมันไปตามต้อนไปตามเก็บไปตามรับไปตามรู้อารมณ์ทั้งหมด เก็บไปแล้วมันก็มาตกหลับอยู่ที่หัวใจอ่ะหลับตามองไม่เห็นอะไรนั่งอยู่ในที่มืดๆเนี่ยมันก็สามารถขุดคุยเอาเรื่องเก่ามานึกมาคิดมาปรุงแล้วถ้าหากสเปสปะไม่เป็นหลักธรรมเนี่นึกคิดแบบไม่เป็นหลักธรรมปรุงไปปรุงไปราคะเืิดละจิตใจเร่าร้อนละนึกคิดไปนึกคิดมาปรุงไปปรุงมาโทสะเกิดแล้วเพราะว่าเห็นว่าสิ่งนั้นบุคคลนั้นเหตุการณ์นั้นมาขัดมาข้องมาคาน เป็นการไปเก่าให้เกิดแผลภายในใจแล้วเราร้อนคุณบาปเดือ mm hmm. ดเพื่อฟังขึ้นมาแล้วดรวเหตุที่เรายึดสิ่งสองสิ่งนี้เข้ามาเ mm hmm. นื่องจากความไม่สดใสความไม่โปร่งใสของจิตความไม่นิ่งของจิตความไม่สงบของจิตด้วยอํานาจของความรุ่มหลงที่เพลินไปกับอารมณ์ที่ไปตกค้างอยู่ภายในใจทําให้เราปล่อยในรับความทุกข์ความกระทบกระทั่งอยู่ภายใ น, ใ น, ในใจิตทุกวันเวลานาทีอยู่อย่างนี้เป็นนี้ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระงับปริยุตธฐานกิเลสที่กิเลสที่มากลุ้ม ร, มรุมใจเนี่ยท่านให้ระงับเป็นความสงบอันนี้เป็นหลักอันนี้เป็นบนทางปฏิบัติถ้าเราเดินทิ้จากหลักนี้แล้วเนี่ยเราจะจะหาช่องสดช่องใสช่องปลดช่องปลดโปร่งภายในจิตียากเพราะมันไม่มีตัวปฏิบัติที่จะไปกํากับไปดูแลสาเหตุต้นต่อที่จะทําให้เราประสบความสุข ความเจริญอย่างแทจ้จริงได้แต่ถ้าเรามาตรงนี้เราไปถูกจุดเราไปถูกหลักกำกับถูกจุดกำกับถูกหลักสามารถทำให้จิตของเราได้รับความสงบนี่เราจะเห็นว่าศีลก็มีอุปการะกับสมาธิจากนั้นแล้วเพื่อทําลายความรุ่มหลงที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องเอาความสงบที่มีความสุขที่มีความอิ่มเ อ, อิมจากจิตใจที่เชื่องกับความสงบต่างๆเหล่านั้น มันก็มีความสดมีความใสมีความปลอดปโปร่งในภายในความนึกความคิดอะไรต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าเงื่อนเข้าหลักแห่งความเป็นจริงบ้างท่านจึงให้น้อมนาจิตที่สงบมาพิจารณามาพิจารณาเพื่อทำลายความรุ่มหลงของตัวเองพิจารณาเพื่อทำลายความรุ่มหลงของจิตเองจิตมันรุ่มหลง ม, มันหลงแบบมืดแปลทิศแปบบ่กทางไม่รู้จักอะไร มาพิจารณาผู้ทำลายความรุ่มหลงเขาเพราะความรุ่มหลงจึงเป็นเหตุให้เกิดราคะขึ้นมามีความกำหนัดมีความยินดีมีความชอบใจมีความเพลินใจในสิ่งในของในรูปหญิงในรูปชายตั้งแต่พื้นๆืนไปจนถึงนนราคะขั้นละเอียดลึกลงไปเนี่ยจนถึงอังนดับสูงสุดไปในจิตรนะดัจากพื้นภูมิอนไป เป็นเหตุให้หลงตาม้ลำดับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นตามชั้นตามภูกพันไปธรรมะของความรุ่มหลงก็เพราะความรุ่มหลงเป็นเหให้เราเกิดโทสะเกิอดอิจฉาเกิอดทิสยาเกิดนึกเกิดคิดเกิอดอะไรอะไรได้ตามใจชอบโดยปกติขจิตมันอิสระที่จะนึกคิดตามใจชอบแต่คำว่าตามใจชอบของมันถ้ากปฏิจจหลักธรรมะแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามอํานาจของกิเลสทั้งหมด เพราะโดยปกติของจิตมันออกโดดดิ่นโดยลำพ iron, ังตามอิสระของมันถ้าประจักษ์การรู้การเข้าใจเกี่ยวกับหลักหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติแล้วมันก็สเปรยสป่าไปตามเรืคิดเรื่องหนึ่งคิดไปคิดไปเคีดไปเคลิร์นใจชอบอย่างนคิดไปไปขัดข้องเกิดอย่างหน่งขึ้นมาแล้วคิดไปคิดไปเกิดอย่างนั่เกิดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วมันมีอิสระไม่มีจำกัดในขอบข่ายของใครของเรา ถามีแต่ปล่อยนึกคิดไปออกนอกรูกนอกทางอยู่ร่าไปเป็นผลิตผลของมันทั้งหมดเป็นผลิตผลของกิเลสทั้งหมดไม่มีเ น, ะนื้ออาจเนื้อธรรมเรื่องสิ่งเรื่อธรรมเข้าไปเกี่ยวของมันก็ยินดีมันก็ดดน เ, เพลินใจมันก็ชอบใจมันก็พอใช้อยู่อันแสดงหาความความสุขตามต้องการอยู่อย่างนั้นหละเป็นความสุขที่ผิวเผินแต่ในขณะเดียวกันก็ไปประกอบด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจไปทําหลักสเปสะปะไปตามเรื่องก็โดยกำหนัก ที่ไปเกี่ยวข้องไปเบียดเบียนไปร่วงละเมิดตัวเองบางคนอื่นบางก็ปล่อยให้ทับความเกลีอยดอชังมันายมากมายมหาศาลตามมาพวกเราไม่ทิ้งหลักเราตั้งใจรักษาศีลเราตั้งใจใปฏิบัติธรรมตั้งใจทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็ตั้งใจมาพิจารณาเพื่อทําลายความลุ่มหลงนี่มัเป็นจุดสุดยอด ที่มันเป็นจุดมืดจุดบอดจุดดําจุดอวิชชาตันหาภายกนะจิตเนี่ยที่มันพาจิตร่มหลงไปแบบไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์นในวัฏสงสารเรามีโอกาสได้มาทักจิตให้ได้รับความสงบให้ได้รับความสงบก็เหมือนน้นําที่มันตกตะกอนใสขึ้นมาพอจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมเห็นอะไรบ้างแปลกว้าอยู่ในน้ําต่างๆเราก็มาพิจารณา พิจารณาเพื่อให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภยัยไม่เพลินไปตามสังขารภายในกิตโดยเหตุที่เราเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งต่างๆเราด้วยเหตุปัิจายข้อปฏิบัติที่ชี้ชัดไปถึงความบริสุทธิ์ภายในมโนจิตหัวใจทําให้เราอยู่กับภาวะของความหลงตลอดเวลาระดับไร้จิตเริ่มในรับความสงบเราก็จะพลอยรู้จักข้อเท็จจริงบ้างว่าสาเหตุต้นตอคืออะไรเป็นอะไร บางทีไม่รู้ว่าเจ้าของยึดตัวเองหลงตัวเองยึดถือตัวเองหลงตัวเองยึดถือสําคัญมันม่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่รู้จักยึดหรือไม่ยึดยึดไม่รู้จักบางทีไม่รู้จักแม้รกระทั่งว่าเรามีกา ย, เร า, กายเรามีจิตด้วยเหตุที่เราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาด้วยเหตุที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเรารู้ว่าเรามีกายเรารู้ว่าเรามีจิตตั้งใจปฏิบัติเจริญสมาธิพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญา ก็จะทําให้เรารู้ข้อเท็จจริงเพิ่พมขึ้นเพิ่พมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะภาวะของจิตที่ได้รับความสงบมันก็เป็นภาวะของหลักสัจธรรมเป็นภาวะของธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นภายในจิตความสุขที่เกิดขึ้นก็เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความสุขที่เคลือบแฝงไปด้วยอามิชเป็นนิรามิตรสุขเป็นความสุขที่ไม่ประกอบไปด้วยอามิชคือสิ่งคือของความสุขที่เราพอใจจากการได้สิ่งนู้นจากการได้สิ่งนี้ เป็นความสุขที่กิเลสมันหลอกเป็นการเป็นคราวบ้างนิดหน่อยหน่อยนั่นเองเหมือนกับเป็นเครื่องลอกมันล่อให้เรายินดีพอใจเพลินใจสักหน่อยนึ่งเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาขัดขวางของมันเองประสบความทุกข์ไปแล้วเป็นความสุขที่ไม่บริสุทธิ์และความสุขที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากความสงบเป็นความสุขที่ประทับใจมีความสุขมีความสงบมีความชุ่มเย็นมีความเยือกเย็นมีความอบอุ่นภายในใจมีความสุขใจจิตใจไม่สับสนจิตใจไม่วุ่นวาย ไม่สับสนไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายจิตใจแน่นหนามั่นคงเนื่องจากว่าจิตเชื่องจิตเป็นอัดจิตเป็นธรรมจิตอิม่มอารมณ์กิเลสมันก็ลอยสงบระงับไปสงบระงับโดยไม่ไม่ออกมาโดดมาดิน้นมาดิ้นรนมาวุ่นวายจิตสงบระงับเนื่องจากว่าใจไม่ให้ความสําคัญกับมันทายเดียวใจให้ความสําคัญกับความสงบใจเลยมีความสุขอยู่กับความสงบเนี่มันสงบระงับไป แค่นี้เราก็เป็นตัวตัวเราก็เป็นอิสระขัน้นมีสมาธิมีคาวามสงบจากนั้นก็แยกแยกพิจารณาไปผู้ทำลายความล่มหลงแยกธาตแยกขันธ์อะพิจรารณาพิจารณาที่มาของกายพิจารณาที่มาของจิตพิจารณาความเป็นไปของกายความเป็นไปของจิตที่มาสัพผัสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องกันอย่างที่เคยอธิบายฟังเผยครั้งอะได้วยเหตุที่เรามีจิตจิตของเราเป็นกิเลสเราจะต้องไปแสวงหาพบชาติ ภพชาติต่างๆที่ไปเกิดนั้นจะต้องมีรูปธปรรมจะต้องมีนามธรรมแล้วก็ไปเกิดตามอํานาจของบุญของกรรมที่มีอยู่ภายในจิตจิตมันก็เป็นภาวะดังเดิมที่เกิดขึ้นในโลกเกิดขึ้นมาประจําโลกแล้วก็ไปแสวงหาไปแสวงหาที่เกิดเมื่อมีภพชาติที่จะต้องไปเกิดจะต้องไปเกี่ยวข้อง ก, กันกับรูปธรรมก็จะต้องไปเกิดตามภาวะของกรรมที่เรามี ที่เรามีที่เราทำมาภาวะของจิตจะอยู่คงที่ไม่ได้จะต้องเกี่ยวข้องกับกรรมทุกวันเวลานาทีนึกคิดเรื่องใดเรื่องดีก็สะสมมาเรื่องดีมากๆนึกคิดเรื่องชั่วก็สะสมเรื่องชั่วมากๆบางทีก็คิดดีมากคิดชั่วน้อยบางทีก็คิดชั่วมากคิดดีน้อยบางทีก็คิดเท่าๆกันก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละผลของดีกับชั่วสองสิ่งนี่แหละผลักดันให้เราต้องขึ้นสูงๆต่าๆ ไปได้พบได้ภูมิต่างๆสมควรที่จะได้เป็นมนุษย์ก็มาได้อุบัติเป็นมนุษย์ได้อัตภาพมาจากพ่อมาจากแม่สมควรจะได้สัตว์ก็ไปเกิดในร่างสัตว์เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นกบเป็นเขียดเป็นอะไรไปตามเรื่องอมอีความเกี่ยวข้องของจิตคือาธาตุรูคือผู้รู้เกิดขึ้นในโลกมีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกพอมาได้อัตภาพร่างกายร่างกายนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยาธาตุ ทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ธาตุทั้ง4ี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็คือแข็งแข็งลักษณะเข็งแข็งในตัวเราธาตุน้ำเปื้ออาบซึมซาบธาตุลมพัดขึ้นพัดลงหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟมีความอบอุ่นต้องมีไฟมาอบอุ่นไม่งั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยมันไม่มีอะไรปลนเปลือมันก็เปื่อยพระเน่าต้มีธาตุไฟมาอบอุ่น แต่ถ้าม ด, าดลธาติลบไปแล้วเนี่ยธาตุไฟมันจะเริ่มเนี่ธาตุดินธาตุน้ํามันจะเริ่มเนี่การคิดตายนี่มันมาเกี่ยวข้องผูพกพันกันกับรูปธรรม น, นี้ด้วยอํานาจของกรรมดินน้ําลมไฟมาเกาะคุมกันด้วยอำนาจของกรรมแล้วกเกิดมาแล้วก็มาใช้สอนกันร่างกายเนี่ยเลยกลายเป็นสมบัติของใจอื ถ้าเราจะว่าใจหรือกรรมภายในใจของเราเป็นเหตุให้เกิดอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเหตุไกลเรียกว่าเหตุไกลถ้าเราจะเรียกเหตุปัใจจัยใกล้ของกายก็คือเราได้ดินได้น้ําได้ลมได้ไฟมาจากพ่อมาจากแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่อันนี้ก็เรียกว่าเหตุใกล้แล้วก็ย้อนไปย้อนไปย้อนไ ป, นไปเราอยู่ในท้องแม่แล้วอะไรอไรกอาศัยของท่านทั้งหมดดินน้ําลมไฟแบ่งมาจากพ่อเป็นมาจากแม่ เจริญวัฒนาทาววรมาได้ด้วยอานาจของกรรมที่มีจิตมาสิงสถิตอยู่มาปฏิสนธิอยู่เจริญวัฒนาทาววรเกาะคุมกันเรื่อยๆเป็นเหตุปเป็นปัจจัยมาบรรจบกันมาเจอกันมาพบกันด้วยอํานาจของกรรมแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆในท้องนี่เจ็ดแปดเ้าเดือนแล้วก็ออกมาออกมาแล้วจาเป็นจะต้องหาธาตุภายนออกมาใส่แล้วก็ต้องขบต้องเคี้ยวต้องดื่มต้องกิน แต่อยู่ภายในท้องแม่เราก็ต้องดูดอาหารจากทางสายรกอาหารนั่นแหละกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนับตั้งแต่ไปถือจุติปฏิสนธิมาถือในท้องแม่จน ก, กลายเป็นก้อนรูปธรรมเนี่ยจะไม่มีการคงที่จะ ม, มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อยๆแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยจากน้ำมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจาสาขา อยู่มาจนอวัยวะครบหมดสาสบสองแล้วก็ออ ก, ออกมาออกมาแล้วตัดสายส่งอาหารจากแม่ก็ต้องมาป้อนเป่าป้อนน้ำนมเขานอกโตขึ้นมาก็นับทานใช้สอยบริหารบริหารอัตภาพร่างกายเองมีชีวิตอยู่เป็นเราเป็นธรรมอยู่เดียวนี้มี่เราพิจารณาคือความรู้หลบเราหลงในรูปเราพยายามย้อนไปหาเหตุของมันอันนี้คือเหตุใกล้ของรูปเราอาศัยอาศัยท้องแม่เกิด อาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่เกิดในท้องแม่แล้วก็ออกมาแม่ของเราก็อาศัยท้องของแม่เกิดย้อนไปโน่นเกิดมาจากธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ของท่านะย้อนไปที่พ่อพ่อก็อาศัยท้องแม่เกิดอาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ย้อนไปย้อนไปย้อนไปเขาว่าเป็นสายเลือดสายเลือดของสายเลือดของชนชาติมันก็มีความเกี่ยวข้องไปนี้การที่เราพิจารณาแบบนี้ ทำให้เราไม่หลงว่าเราอยู่ยังไงเราไปยังไงเรามาย่างไรทำให้เราทราบที่ไปเราทราบที่มานี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อทําลายความล่มหลงลุ่มหลงตัวเองดี ด, ดีวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปย้อนไปถึงอดีตกรรมที่มีอยู่ภายในจิตและได้อัตภาพอย่างนี้แค่นี้ย้อนจากเราไปถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนมันก็มีธาตุรู้เหมกัน เขาก็ได้อัตภาพแค่นั้นเขาอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลําบากแค่ไหนดูเราเลี้ยงหมาเนี่ยจะให้เขากินอิ่ ม, มน้ำซัมราขนาดไหนก็ตามมันก็ทุกข์ตามภาษาของมันนั่นแหละยิ่งมันไม่รู้จักนึกคิดไม่รู้จัะพัฒนาอะไรเลยเลยแ บ, บกกองทุกข์ไปเป็นปบพ ก, ป ก, ปกเป็นชาติชาติไปอยู่อย่างนั้นเราพิจารณาย้อนไปเราไปพิจารณาย้อนไปอีกที่จิตเหตุใกล้เหตุไกลที่เกิดของจิตนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกอย้อนไปท่านบอกว่าเป็นธาตุเป็นมนุธาต เป็นท่ารู้เป็นท่ารู้มันเป็นท่ารู้ที่น้อมไปสู่อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมโนมโนหรือว่าน้อมมโนธาตุแปลว่าท่ารู้นีมโนธาตุคือจิตนั่นแหละมโนธาตุที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงพุทธเจ้าก็ไม่ทรงพยายกรณ์แต่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความรุ่มหลงในตัวเองไม่มีความรอบรู้ไม่มีความฉลาด ก็พัฒนาไปโดยอำนาจของอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นเรื่องของอิเลตทั้งหมดที่มีอยู่ภายในกิตตรงนั้นก็เลยมีความเที่ยว ส, สว่อเสลนหาพกชาติอยู่อย่างนี้ให้รูปได้น้ำเป็นสัตว์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเกิดสพเหมาะช่องไหนดีก็ได้ประกอบของคุณธรรมที่ดีก็อาจจะความที่ละเอียดเป็นเทวดาบ้างชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเกิดสพมาะบางกาลบางคราวก็มีการภาวนาจิตได้รับความสงบ ก็ไปเกิดในโลกที่เป็นพรหมที่ท้าเรียกว่าเป็นพรห ม, รมตามที่เราศึกษามาและมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแ ส, งสดงเอาไว้เราไม่ไม่ต้องสงสัยดูพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทั้ ง, ส ง, สงทงาราบหมดภพชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแสดงทะลุผูกโลงตานานทั้งหมดประสาพันญูประสัพันยูรนยเราย้อนไปเห็น ที่มาของกายย้อนไปดูจิตเห็นที่มาของจิตจิ ต, จตมีวิชาอยู่ในนั้นหลงตัวเองเพลินตัวเองเมื่อมายึดรูปก็เลยได้กลไกในการทํางานนะจะออกมาใช้โลกภายนอกรูกอ้อาศัยผ่านทางตาเปลี่ยนรูปยินดีพอใจตามภาวะของมันเลยภาวะของความดุหลงของมันพอกมารับรู้ทางหูก็ไปยินดีพอใจไปเพลินใจยึดในสิ่งที่พอใจเข้ามา ผลักสิ่งที่ไม่พอใจออกไปมีอำนาจอานาจของกิเลสอวิชชาที่มันพาเรารู้ให้เราเห็นให้เราเข้าใจด้วยวิธีการอย่างนี้แบบนี้ท่านจึงให้ให้พิจารณารู้ที่ไปที่มาของมันเพื่อทำลายความรุ่มร้โดยเฉพาะจิตสงบจิตสงบภาวะของสภาวะธรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันปรกากฏชัดภายในจิตของเราคําว่าสภาวะธรรมก็คือความมีความเป็นของรูปรูปมียังไงเป็นยังไงเราก็ทราสบสภาวะของนามมียังไงเป็นยังไงเราก็ทราบ คือสภาวะของจิตเพราะฉะนั้นหลักการทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็มาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญามันจึงมีได้เป็นได้อาศัยขันธ์ทั้งห้านี่เป็นเครื่องมือน้อมนํามาเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องซ้อมเพราะขันธ์ทั้งห้านี่เป็นเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกรูปเป็นฝ่ายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นฝ่ายนามคือเป็นฝ่ายจิตเป็นอาการของจิตเป็นกิริยาของจิต กิริยาของจิตมันจะเป็นเหตุให้ใหรับรู้รับสะาวเวทนาเป็นเหตุให้ใช้งานใช้การในในลักษณะของสัญญาหมายได้เดาได้คาดได้ในตัวสัญญาแล้วก็จำได้ที่เขาเรียกว่าจำได้หมายรู้หมายรู้หมายค า, าดหมายเดาหมายอะไรก็อยู่ในด้วยกันทั้งหมดนั่เราจะเห็นความพิสดารของสัญญาของเวทนาของสัญญาสัญญาเนี่จะพิสดารมากถ้าเราระวังเรื่องสัญญาได้เนี่ย ถ้าเราระวังเรื่องสัญญาได้เราจะทราบสภาวะธรรมภายในจิตของเราได้ละเอียดละเอียดเข้าไปอีก<ม>ถ้าเราสามารถมองจนเห็นว่าสัญญาสักเท่าไหรเป็นสัญญาด้วยแล้วกิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตจ ะ, สะแสดงออกไม่ได้จะสวมรอยมาสแสดงตัวออกไม่ได้สแสดงว่าตอนนั้นจิตของเรามีสติกล้ามีปัญญาแข็งกล้าสภาวะธรรมอันเป็นฝ่ายกิเลสมันจะมาสวมรอยไม่ได้ ซึ่งเป็นฝ่ายสมุทัยมันจะมาสวมรอยให้เราเกิดรับเกิดช่างเกิดอะไรไม่ได้ผู้สัญญาสัญญาทํางานแต่ละครั้งก็ต้องประกอบไปด้วยสงขานแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยวิญญาณวิญญาณไหมโนวิญญาณเนี่ยท้งกะเดียบมโนวิญญาณน้อมนึกภายในใจเกิดความรู้ชัดเข้าว่ารับนึกอะไรนึกอะไรมันก็เป็นมโนวิญญาณวิญญาณเรียกว่าความรู้แจ้งรู้วิเศษวิญญาณวิญญาณธาตุวิญญาณขัน วิญญาณนักขันหลงตาท่านว่าคือรับทราบเย็บๆแล้วกดับไปเย็บแร้วก็ดับไปเย็บแล้วก็ดับไปไม่ใช่มโนวิญญาณมโนวิญญาณก็คือธาตุรู้มโนวิญญาณกับมโนธาตุเนี่ยเป็นธาตุรู้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นปฏิสัทธิวิญญาณมโนวิญญาณหรือมโนธาตุอันเดียวกันแต่วิญญาณนักขันนี้ วิญญาณนักขันี่เป็นอาการของมโนาวิญญาณอีกงหากเป็นอาการของมันไม่ใช่ตัวมันแ ท, แท้ๆ <mistakes> ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเหมือนกับความสว่างของเทียนนั่นแหละความสว่างของมันเกิดขึ้นจากอาการที่เทียนมันทําหน้าที่ของมันแล้วเกิดความสว่างขึ้นมาเกิดความสว่างขึ้นมาเป็นวิญญาณนักขันขันขันขั น, ขน RM. แปล ว, ว่ากองแต่ละกองแต่ละกองแปอว่าหมวดรูปหมวดหนึ่งเวทนาหมวดหนึ่งสัญญาหมวดหนึ่งสังขารหมวดหนึ่งวิญญาณหมวดหนึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นขันหาขันหาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเพื่อเลอิกเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราให้เห็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติเราพิจารณาเราเราจะรู้อยากเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติดังด่งเดิมของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็ต้องพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยอย่างที่อธิบายให้ฟังมาแล้วต้องายรูประธรรมย้อนไปหาพ่อหาแม่นะ มันเกิดมาอย่างนั้นเกิดมาตรงนั้นอันนี้เป็นเหตุใกล้นะเหตุไกลเราก็ย้อนไปที่จิตจิตมีวิชาตัณหาปารานมันสวงหาภกหาชาติมันต้องไปปรากฏมันต้องไปเกี่ยวข้องกับรูปกับนามนั่นคือเหตุไกลถึงหเรามาพิจารณาเพื่อทําลายตัวกลองทุกข์วิชาตัณหาปารานที่มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันหลงเองมันสร้างเองแล้วก็มันหลงเอง มันสร้างเองมันเพลินเองมันหลองเองมันยึดเองมันถือเองเห็นไหอันนี้นคือความไม่ฉลาดของจิตนั่นแหละจิตที่มีอวิชชาแล้วก็พิจารณาย้อนไปพิจารณาบุญ น, นาเพืเ่อนเห็นงามเห็นแง่เห็นความฉลาดไปในจิตเนื่องจากว่าเราตั้งอก ต, ตั้งใจทำใช้สติทำใช้ปัญญาธรรมใช้สติทำใช้สัมปชัญญะทำสตำิสัมปชัญญะรวมกันแล้วเป็นปัญญาใช้วิรยิยะรมใช้ขันติธทำใช้หิริททำใช้โอตตะธรรม ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงมีชั้นทะความพอใจในการประกอบนี้การประกอบการประกอบกันทะกษ์วิทยะจิตตวิมังสาเราไปไล่ดูหลักธธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอานาจของการที่เรามาเอาจิตนี้มาพัฒนาให้มีความรอบรู้ให้มีความฉลาดเป็นการสร้างคุณธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นสร้างสติให้แน่นหนมามันคงขึ้นสร้างสัมผัจันญรให้แ like น, น่นหนมันคงขึ้น เอาเป็นหมุนเป็นกําลังในการพิจารณาทําลายความรุ่มหลองของตัวเองอันนี้เป็นการพัฒนาไปจนถึงที่สุดคือสุดโลกสิ้นสุดที่ธรรมเพราะสุดโลกแล้วก็ถึงธรรมความพัฒนาไปทั้งหลายทั้งปวงของรูปธรรมของนามธรรมนี้มันเป็นการพัฒนาไปในวัฏสงสารแต่ถ้าเราเลือกเอาสายธรรมมาพัฒนาก็จะเป็นให้เราพัฒนาเพื่อความสิ้นสุดแห่งโลกและเข้าถึงธรรม พอเข้าถึงตามแล้วแต่ตายทํำลายขันไปแล้วธาตุสี่ดินน้ำโลภไฟก็ยังอยู่ในโลกธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั้นก็ยังอยู่ในโลกไม่ไปไหนธาตุทั้งหลายในโลกไม่ขาดสูญไปจากโลกแต่ผู้ที่ถึงนั้นแหละถึงบริสุขไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วละเราไปเห็นเขาวุ่นวายเราดูที่วุ่นวายขนาดไหนความวุ่นวายความสับสนวุ่นวาย ความเป็นทุกข์จะต้องประจัดการที่จะต้องไปจัดการนันต้องเกี่ยวข้องนี้เกี่ยวเกี่ยวข้องบางทีเหน็ดเหนื่อยปางตายไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นภายในหันใจบางทีตายเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นภายในหัวใจเลยโอกาสที่จะมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เป็นไปในทางที่ดีที่งามก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ท่ามกลางตรงนี้นับว่าพวกเรามีบุญมันจมีบุญว่าเราจะยินดีเฟลินใจไปตามอำนาจของโลกเราก็จะได้ครับ ผลประสบผลกระทบอยู่อย่างนั้นเร่างไปถ้าเรายินดีเพลินใจ ม, นมาในทางธรรมเราก็สามารถจะพัฒนาจิตใจของเราให้ไปถึงที่สุดได้เสร็จแล้วความสุขเนี่ยมันแกตกต่างกันมากมายมหาศาลจนพูดรูเ้เห็นความทุกข์ของโลกเนหะ็นองทุกข์ของโรกนั่นเบื่อหน่ายคลายจางเบื่อหน่ายคลายจางในที่สุดก็ เ, เป็นเหตุให้เรามาปฏิบัติ ได้มักได้ผลแด้อล่ะเพล่อนใจแล้วก็เห็นโลกนี้เป็นไฟลุกท้องดวงนะเป็นไฟลุกโผล่ลงไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ยังไงยังไงแล้วจะต้องถีบตัวเราไปให้ได้พอมาถึงขั้นนี้แล้วเรามีกําลังมีกำลังแล้วเราไม่ปล่อยจับไปให้จตลอดได้เลยชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราจะคิดว่าเราจะได้เปรียบสิโนดได้เปรียบสินี้การที่เราจะได้เปรียบเราจะต้องมาตรงนี้ช่องนี้เท่านั้น เราไปตรงอื่นที่อื่นสําคัญว่าอันนั้นจะดีอนนี้จะดีสําคัญมั่นหมายไปเฉยๆเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะดิบดีวิเศษวิสุ์เท่ากับเราอยู่ถ้ำกลางาศาสนธรรมที่พระเจ้าเป็นทรงตรัสรู้มาแล้วามาบอกมาให้มาสอนพวกเราให้เรามีโอกาสได้ยึดถือปฏิบัติตามนับว่าเป็นมหากุศล f i n a n c i a l ของเราแต่ละคนแตท่านถ้าเราคิดย้อนหลังไปถึงทุกททดพันของมัตตสมสาร ไปแค่เรารู้เห็นในโลกปัจจุบันเนี่เราก็เสียวหลังว้าถ้าเราไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้ามาตรงนี้เราก็จมเหมือนเขานั่นแหละรู้ไม่เข้าใจมาอะไรล่ะมันวันคืนลงไปกับแบกกองทุกข์ก็เหมือนอย่างละทิศบางละทิศมันไปป้อให้คนรุ่มหลงแม้กระทั่งฆ่าตัวตายเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้เขาสามารถทําได้เราจะเห็นความหลงของจิตทั้งดวงนั่นแ่ะมันไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกตัว แล้วแต่จะมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้จิตตรงนั้นมันน้อมไปน้อมไปไงก็น้อมไปได้ทั้งหมดเพราะจิตมันเป็นมนุษธาตุธาตุน้อมไปดีมันก็สมัครน้อมเต็มใจน้อมชั่วมันก็สมัครน้อมเต็มใจน้อมทุกยากลาบากอะไรมันไม่คํำนึงเขาบอกว่าตายสูงมันก็เชื่อว่าตายสูนบอกว่าตายแล้วไปอยู่ที่นน้นที่นี่มันไปเชื่อว่าอยู่ที่นน้นที่นี่แต่ไม่มีโอกาสพิสูจน์ทดสอบว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอันนี้คือได้ได้โอกาส ครียด น, น้อยโอกาสน้ยวาสนาไม่ประสบพบเห็ปะโอกาศนาั้นดีงาถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกยังไงแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นหมอกอยู่ในโลกอยู่อย่างนั้นเลยบางคราวก็ดีบางคราวก็ทุกอย่างลําบากชั่วร้ายเราดูเถอะความตายของคนมันไม่เลือกการมันไม่เลือกเวลามันไม่เลือกสถานที่เราดูดิดูไปที่สึนามิที่เราเห็นรูปๆกันดูดิเอามาเรียงกันนอนกันคนแต่ละสาขาอาชีพ แต่ละฐานะสูงต่ำแต่ละความรู้ความเข้าใจเวลาประสบพบเพศภัยก็เป็นอยู่อย่างนั้นมนนาสลดมันน่าสำเวทใจขนาดไหนในบรรดาสิเหล่านั้นมันก็มีทั้งคนมีสิทธิมีธรรมและจะมีทั้งคนม่มีสิทธิ์ไม่มีธรรแต่ด้วยอานาจของกรรมที่เป็นไปในวัฏสงสารจะต้องให้เราได้ประสบพบเห็นเลยเป็นเห็นให้เราต้องเกิดหลาบในการสร้างกรรมกายกรรมพิธีกรรมมนกรรม เรามาสร้างแต่วความฉลาดให้ลาิจของเราเมันจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขทำไมปัจจุบันไม่จะมีความสุขเป็นวิบากต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างนะตนนันสิปว่า